อูรราะห์มานูร์ิยมสุรฟาติรราที่ส5มสบห้าับอายาที่ที่เกถึงอายาที่ที่สิบไม่ใช่เลก้ส เก้าสบดามุานั้ลอฮอับิลลาฮิม a s h s h a q a a j و الله الذي أرسل ا ل ر ي ا فَتُثِيرُ س َ ح َ ا ب ا ف َ س ُ ق ن َ ه ُ إِلَى ب َ ل َ د م َ ي ّ ت فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا к а ل а л о نشور، م ك ن ي ر ي دل عزة، فلله العزة جميع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه والذين يم والذين ي م ر و ن السيئات لهم عذاب شديد. وَمَا ك ُ ر ُ و ْ ل َ ه ِ ك َ ه ُ و َ ي َ ب ُ و ر وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن ت ُ ر َ ب َُّ م َّ ا ه ُ ن َّ ن ُ ط ْ ف َ ة ثم جعلكم أ ز و ا ج ا و َ م َ ن ت َ ح م ِ ل م ِ ن أ ُ ن س َ وَلَا ت َ ض َ ا ع إ ل ا ب ِ ع ِ ل م وَمَا ي ُ ع َ م َّ ر ُ مِنْ غ َ م ِ ر ٍ وَلَا ي ُ م ْ ق ص ُ م ِ ن ع ُ م ر ه إِلَّا فِي كِتَابٍ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 م ม ي ه ั่ ا ดี a l ل a h ฟ้าล و มุดลเดและไม่ยุ่ดลิ ش ه د و ن الله إله إلا الله وحده لا شريك له و ش ه د أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ ب ك لِمَاتِ الَّهِ تَمَاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ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 Allahu um maafinii fi badani waafinii fi samai wa ah w a a f i n سلام عليكم رحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศุกร์นะครับที่มัสยิดของ a ล l a ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตับซี่อัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับ ทมดุลีลาพี่น้องเราต้องนึกถึงอัลลอ์ต้องขอบคุณอัลลอ์ให้เยอะๆนะครับพี่น้องแล้วก็ในช่วงนี้มันช่วงคนทั้งโลกเนี่ยรังวันวิตรกับเรื่องโควิด -19 โควิด -19 ซึ่งอัลลอ์ส่งมาเล็กๆน้อยๆ เ, อ, ยเองนะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเจ็ดพันล้านคนเนี่ยกลัวเ ร, เราเรานี่กลัวอัลลอ์ แล้วก็กลัวว่าไม่ให้โรคเนี่ยไม่ให้มาติดต่อวิธีรักษาล้างมือบ่อยๆก็อาบน้ำน้ำมานบ่อยๆน้ำมานเยอะน่าจะน้ำมัให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเอาอะไรนะอัครลากมารยาของท่านอบูของันซันบลานบิลาัลเราดีอลลอฮอ่านมาอ่ามาใช้ คนน้ําน้ำมาดหมดก็ไปอาบน้ําน้ำมาดแล้วก็มาน้ำมาสองร้อยกรดมเป็นการให้เกียรติกับอาบน้ําน้ำมาดนมาได้ดุฮาก่อนมาได้ถึงแปดรอยกรดนะเห็น ไ, ไหมเนี่ยเราก็อาบน้ําน้ำมาดนะครับล้างมือเนียร์อาบน้ําน้ำมาดนั่นคุมไปถึงการล้างมือที่ทางกระทรวงสาธนาสุขบอกเราเตือนแล้ ว, ลวก็ อ่านกุรานเยอะๆนั่งอยู่ที่บ้านซึกรูลละเยอะๆแล้วก็อยู่ในบ้านนะ่ะเป็นซุนนะนบีนะ่ะนบีสอนอย่างนี้ย่ำกูสุฟีใบทีหินี่นบีสอนเองนะเมื่อโรคระบาดอย่างนี้มาเนี่ยอย่าออกข้างนอกนอกจะจำเป็นตอนนั้นแหละย่ำกูสุฟีใบทีหีอยู่ในบ้านของของเขา เราใช้ภาษาในปัจจุบันนี้ว่า ก, ากักตัวอยู่ในบ้านแต่ความจริงการกักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยตรงตามที่สุนัขนบีสอนเลยในใ่ขวางนะคนที่ออกข้างนอกเยอะๆนะเขาเรียกว่าไม่ไม่เชื่อนบีนี่แต่ไม่น่ะถ้าเชื่อนบีเนี่ ย, นะออยต้องอยู่ที่บ้านนอกจากจําเป็นจําเป็นก็ออกก็ต้องออกด้วยปิดอะไรนะ่ะเนี่ยผ้าอานาะอันย่าผ้านะี่ย เปิดหน้าพวกนี้นี่นะอย่างโน้นนั่นเนี่ยอันนี้ก็ทําตามรุ น, มรร น, มรน้าอับบีทั้งหมดแต่ละเพราะทตามหมอแนะนําพราะงั้นการอยู่บ้านเนี่ยเป็นมีบราระกัดเยอะเนืเราปฏิบัติตามรูปแบบที่ท่านอบลบีบให้ไว้แล้วอยู่บ้านทําอะไรครับก็อ่านคุรอ า, านเยอะๆหน่อยซิกุรุลลอฮฺซิกุรุลลอฮฺก็ขอละอาไม่เหมือนกันซิกุรุลลอฮฺก็นึกถึงอัลลอฮฺเช่นนย่าอุลมามะผมก็เปิด ดูกฟังจากอุลามะในสูดานในลหลายประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยอุลามะอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าให้อ่านดวอาบทนี้เยอะๆนอกจา ก, ล, กละอูซีเบคาลิมาติละฮิตามาติมิซาริมาคนอ่านเลยยังไม่พอนะอ่านบิสมิลลาฮิ ล, ละฮิโกยังไม่พออ่าน อ, อีกอาดวอาของนบียูนุสอะลัยฮิสซลาห ม, มาใชา้ดวงของนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาเนี่ย บทไหนละอิละห์อิละอันตะสุบฮะนักอินนีคุนตุมินัลลอฮิมีนดูคำแปลนะละอิละห์อิลอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากท่านละอิละห์อิละอันตะุบฮนกมหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่ท่านมาถึงแต่ Allah Allah เนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีที่ตำหนิ อินนีกุนตัมีนอวอลีมีฉันไม่ได้ฉันนี่เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนอาธรรมคนหนึ่งในบรรดาคนอาธรรมทั้งหลายดูความหมายจากดวงอาเนี่ยไม่ได้ขออะไรเลยไม่จะขอว่าอาลัลลอฮ์จะให้ฉันออกจากท้องปลาขอบางๆชมอลัลลอฮ์กับตําหนิตัวเองชมอลัลลอฮ์สองประโยคลออิละฮ์อิลลาอันตะสุบฮาหนักะนี่ชมอลัลลอฮ์ อินนีกุ้นตัมีนอ ล, ลิมินแทจินฉันเป็นคนอาธรรมคนหนึ่งในหมูบ่บรรดาคนอนาธรรมทั้งหลายไม่ได้ขอให้ออกจากท้องปลาไม่ได้ขอไม่ให้ตายไม่ได้ขอได้เล ย, เลยแต่ชมอัลาลอฮ์กับตำหนิตัวเองสารภาพผิดว่าฉันเนี่ยผิดไม่รู้ว่านาบีอูนุสอ่านดูอาท่ า, ายกี่ครั้งไม่รู้ฉะนั้นเราเนี่ยอ่านดูอาเยอะๆนี่ประโยคนี้ะนะลอีละฮะอีละอันตะ สุบฮานะกะอินนีกุนโตมินอัลลอฮ์เมีอัลลอฮ์ให้ออกจากท้องปลาไม่ได้ขอสักนิดนะนะไม่ได้ขอให้ออกจากท้องปลาขอปลาเปา้ปาฉะนั้นเราอ่านอุอาบทนี้ในช่วงนี้ซึ่งอัลลอฮ์ก็รู้เราในกำลักลัวอะไรอยู่ <c oughs> ดีไหมนี่เพราะฟังอลละหอัติบะฮ์เขาจะห้ามด้วยแล้วฉะนั้นมีอยู่หลายประโยชนะน์นะนี่อัลลอฮ์ม่ไดนี่อุมุซบกามินอัลบารอซ والجنون وال و ا ว ج ด ا ุ و م ม س ي า ا ل น س ق อ م ลอัลลอฮฺอัลลอัส่วนภรรยาว่าด้วยสอนให้ลูกๆลหลานว่าด้วยใช่อ่านคุรานยึครุลาะก็เนี่ย ا ن อัลลอฮเนี่ยเยอะๆหน่อยลาอิลลาห์อิลลัลลอฮฺอฮะล شرك ะละละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดุวะฮฺและลาุลิชากนิร ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมนั่งอ่านสือนะ mm hmm. ก็ไม่อ่านฮะดีษพบอย่างนี้คนที่นมาห้าเวลาเนี่ยก่อนที่จะอ่าน อ, น, อ, น, อ, น, อ, น, อนตับสิกอ่านนี่นะท่านเซนาอาีเรดียวอขอนดูได้กล่าวบอกว่าท่านน บ, บีสอนว่าละยะซาดุช mm ัย hmm. ก่อนザ عيران من المؤمن ما حفظا ع ل ล صلوات الخميس แต่ว่า ใช่ตอนนี่น่ะมันกลัวสมัชสมณะใช่ตอนเนี่ยมันมีกลัวใครหรอกอัลลอฮฺสั่งมันยังไม่เชื่อเลยมเห็นเหรอกแต่แต่มันกลัวคนไงคนที่นมาถ้าเวลามันไม่กล้าเข้ามายุ่งมันกลัวคนที่นมาถ้าเวลาจากนั้นใครที่นมาถ้าเวลาในใช่ตอนไม่เข้ากลัวแล้วเห็นหน้าผวาแล้วไม่เอาแล้ว ทานเราต้องนมาศท่าเวลาซึ่งเราคนนมาศกันอยู่แล้วแต่เป็นการให้กําลังใจให้ลูกๆเราภรรยาเรานมาศในครบวันท่าเวลาเพราะชาต่อเ น, นี่ยมันกลัวคนนมาศฉะนั้นใครที่ขาดนมาศเนี่ยชาต่อมันชอบเอาาอย่างงี้หลอกง่ายอ่ะย่างงี้ไม่เท่าไรเพราะมันขาดนมาศฉะนั้นรักษานมาศให้ดีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับที่นอนเราในบ้านเราเนี่ยตุ้ยอัลลอฮ์เนี่ยนบีเนะี่เป็นห่วงคนกันานาย ที่บ้านเราเป็นอย่างนี้ท่านจาบิรราตอัลลอฮุอันดูไดกล่าวบอกว่าฟิราชน์เลวราอยชุดที่นอนเนี่ยสำหรับสามีว่าฟิราชุล์ลลอิมรอาติฮีที่นอนอีกใบนึงสำหรับภรรยาเห็ น, นยังแสดงว่าสามีกับภรรยาเนี่ยไม่ได้นอนคู่กันตลอดลนะเ <c oughs> นี่ยอ่น า, านคัมดีษ์แล้วก็นั่งนึกเออ มีที่นอนสำหรับสามีมีที่นอนสําหรับภรรยาใช่ไหมแล้วก็มีที่นอนสําหรับแขกไอ้ลูกแน่ น, นอนที่สุดภรรยากับลูกมาถึงก ล, กลุ่มเดียวกันนะที่นอนมีที่นอนสําหรับใครนะสําหรับสามีสําหรับภรรยาภรรยารวมถึงลูกๆด้วยนะมีที่นอนคนไข้ของใครของใครของมันแล้วก็มีที่นอนสําหรับแขกที่ซีสําหรับไทรตอนเห็นไหมฉะนั้นยามีที่นอนเยอะ อย่ามีเตียงเยอะชนะมีเฉพาะสามีภรรยาลูกๆพอแล้วใช่ไหมแล้วก็สําหรับแขกเพื่อแขกด้วยเพราะมุสลิมเนี่ยเป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เราส่งเสริมให้ไปเยี่ยมซึ่งกันและกันไปมาหาสู่กันแต่สมัยนี้มันมีโรงแรมมันก็บ้าไปหน่อยใช่ไหมอเอาไปนอนโรงแรมที่บ้านคงจะมีเอาไว้สําหรับแขกแล้วก็ถ้ามีมากกว่านี้สําหรับชายตอนท่านอย่าเปิดโอกาสให้ชายตอนเข้ามา อยู่ในบนที่นอนของเราเรื่องที่สามชาตอนเป็นอย่างนี้มีชายคนหนึ่งจากอิบเนมัสโอดายรายงานว่ามีชายคนหนึ่งมาเล่าให้นาบีฟังตอนเช้าว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันนอนตลอดทั้งคืนเล ย, ต, เเเลยตื่นเอาเช้าเลยตื่นเอาเช้านาบีก็บอกว่าละกระยูลุนบาลัสไซก้นฟีอูดูนี ผู้ชายที่มาเล่าโบชันนอนทั้งคืนเนี่ยจนั้งตื่นเอาตอนเช้าเลยนนะมันซโบเลยเนี่นะกลางคืนม่รู้ขึ้นนมาแต่ฮัยุษเนี่ยนบีบอกว่าชายคนนี้ใส่ตอนฉีใส่หูของเขาะดษนี่จถอิามาบุคอรีมุสลิมลอลฮักบัแสดงว่ากลางคืนเนี่ยต้องรู้ขึ้นน้มาะอะไราฮัดยุนี่ในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่เป็นเองอะไรที่เป็นสุนัานาบีเอามาใช้ให้หมด ย่าไปคว้างก็วิธีจะให้ตื่นตะถัายุดได้ก็ต้องรีบนอนแต่หัวข้ามหน่อยหลังนมาดอิชาเนี่ยอ่านกูอ่านยึดกอคุยกับลูกเล็กนอ้อนนยเรื่องอิสลาอยจะไปคุยเรื่องเื่นอะ่ะเอาจรางๆก็นอนกันไปแล้วตื่นตะถัาหยุดยิ่งใหญ่มากครับไม่ตื่นก็ได้นบีพูดว่าบาลาไซตอนฟีอูซูนิฮีไซตอนฉีไซหูของขา่าวเอา ใครอยากให้เชิญตอนชีดใส่หูเชิญเอามาดูโคโานนะครับอายาที่ที่เกัลลอฮที่ลอัลลอฮีอลลอีอัลัลอัที่ีรอัลฮฺที่อัลลลฮอลลอฮัลลอฮ فأحيينا به الأرض بعد موتها كذالك ا ل ن ُ و ر الله أكبر يعني จริงจ والله الذي أرسل الرياح فتثير س ح ا س ب فسقناه إلى بلاد ไม่ย ah ิต ف ฟ้ حياينا به الأرض بعد موتها كذالك كذالك نشور الحمد لله อายานี้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บริหารจัดการโลกนี้ยังไงพี่น้องดูสับนะมีอยู่คำหนึงนะไม่ยิต เดียวยังไม่ ย, ยิดน่ะอ่าไม ย, ยึดแปลว่าอะไรตายอ่าละก่อนหน้านี้คำหนึ่งบาลาดินไม ย, ยิจินบลาลัดแปลว่าเมืองตำบลหรือที่ดินอ่าอัลลอฮฺอัลบัดบาลาดินไ ม, ม ย, ยิินแปลว่าอะไรนะดินดินแดนที่ตายหมายถึงดินแดนที่แห้งแล้วก็แร้งไม่มีต้นไม้ขึ้นได้ไหม แล้วก็ไม่ยิดเป็ภาษาที่เราใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อ่านไม่ยิดมีนา <laughs> บลาดินไม่ยิดแผ่นดินที่ตายแผ่นดินที่แห้งแล้งอ่านูกรุรานวัลลอและอัลลอฮฺอัลลอฮิคือผู้ที่ อ, อัลสล่าส่งอารยาฮลมทั้งหลายลลาอัลลอฮฺอัลบัต ลมเนี่ยามาเองหรือว่าล้อจัดให้อล้ อ, อจัดให้ง่ายๆนี่เราต้องนึก อ, อก่านคุณอ่านต้องนึกเอาล อ, อกวันเมื่อก่อนนี่ไม่ไม่มีอ่ะเอาล้อก็ให้ลมมาหลังจากสร้างสร้างนูนสร้างมีสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายนะเสร็จแล้วก็เนี่ยสร้างทรงลมมาเนี่ยลมเนี่ยถ้าเป็นนี่เป็นเอกพจน์นะริยาแปลว่าลมทาริยคนณเป็นเอกพจน์ลมลมพายุ ลงแรงๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกวานีไอ้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอนะมเย็นๆมันลมแรงได้ไหมแป๊บเดียวภายในหนึ่งนาทีก็เปลี่ยนได้ใช่ไมต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆออกนอกบ้านเจออากาศเย็นๆอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ยอัลลอฮ์เมตตาเราจริงๆนะให้อากาศเย็นฮัโลอัลฮัมดุลิลลาห์อทีนี้อัลลอฮ์พูดถึงอะไรนะความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งในนาทีตายเนี่ยมีชีวิตชีวานียังไง ฟาตูซีรูสฮาบาตูซีแปลว่าหอบหอบหอบอหอบฟืนหอบเสื้อผ้าตูซีดินหอบเมฆฟาตูซีรูสฮาบาอัลลอฮฺให้ลมนี่น่ะหอบขอบอะไรครับสฮาแปลว่าเมฆรลว่าคำอยู่เลยคนนั่งเครงบิ น, นเห็นเมฆประจําเห็นไหมล่ะแล้วเมฆนี่คนใหญ่นะเครงบิน ข้างในนะ่าสันนะ่ะโหเสียวนะ่ะเขาพยายามก็จะเลี่ยงนะไม่ให้ไม่ให้เจอก้อนเมฆตรงที่มันต้องเจอบ้างใช่ไหมฉะนั้นลมเนี่ยหอบก้อนเมฆเอาหล่อหอบเมฆไปไหนครับฟัสุกนาหูอิลาบะดาเดมไมยิทเราได้พัดสุกนาแปลว่าพัดพัดก้อนเมฆนี่นะพาพาก้อนเมฆไปไปไหน อิลาบะลาดินไปยังเมืองที่ม่ยิดเมืองที่ตายหมายถึงดินแดงที่แห้งแลง้งนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้ถ้เราทําได้ไหมล่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนทําได้ไหมอ่ะไม่มีนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเพืดเปิดหูเปิดตาเปิดสมองพูดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์ คือผู้ทรงส่งลมทั้งหลายนะครับหมาถึงลมหลายหลายประเภทนะนะประเภทเบามีแรงมีกระโชกมีสารพัดใช่ไหมล่ะขนาดลมมาทําให้อะไรนะบ้านพังมีไหมมีให้ราคาบ้านพังมีให้ต้นไม้หักมีอโลอใช่ไหมนั่นมีอยู่หลายสิ่งต้องนึกท่านมุสลิมต้องเรียนหนังสือเยอะนะต้องอ่านหนังสือเยอะเพื่อจะศึกษาว่าอามณของอโลน่ะเป็นยังไงมาอย่างไงมาตอนไหน อาจสมุดพังเพราะอะไรเพราะล่มฝนก็เหมือนการที่อลัลลอฮ์ตกมาบางทีก็มีอะไรมีลูกเห็บใช่ไหมล่ะบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เบาบางทีมันก็น้ำท่วมนึกอัลลอ์อัอลลอ์นี่เมตตามนุษย์ถึงขนาดไหนตอนนี้ยังเมตตาอยู่นะสโควิดมาอย่างเดียวนี่นะปันหมดทั้งโลกนะช <c oughs> าวาสวีเดนไวีเด้เลยก็ต้องขอ อ, อุทิศ ต่อมาครับฟาอาฮัยนาบิฮิลอารุดออาฮัยนาแปลว่าเราให้มีชีวิตชีวาหมายให้แผ่นดินนั้นชุ่มชื้นนะครับอัลอารหมายถึงเอิร์ดดินตรงนั้นน่ยพอฝนตกลงมามีชีวิตชีวามาถึงสังเกตยังไงมีต้นไม้ขึ้นนั่นแหละแสะดงว่ามีชีวิตชีวาอ๋อทำอยู่ละสดชื่นชุ่มชื้นนะครับบาอาดามาอุติฮาน้เานเน้นเองนะ หลังจากที่มันได้แห้งแลง้งหลังจากที่มันได้ตายแห้งแลง้งนัามาจงตายพอให้ฝนน้าฝนตกลงมาทำให้แผ่นดินตรงนั้นนะ่ะชุ่มชื้นแล้วก็มีชีวิตชีวาสังเกตมีต้นไม้งอกขึ้นนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบี ม, มาสอนอุมมาของท่านนาบีทสอนพวกเราวันนี้กาเาดิในทํานองเดียวกัน กระดาษเ็กนั่นแหละทำนองเดียวกันนั่นแหละอันนุชูการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ก็แบบเดียวกันอธิบายยังไงพอโลกใบไหนใกล้จะหมดอายุวันวันที่หมดอายุนะ่ะวันนั้นอรรถจะให้มะลัยกา้ามาเป่าอะไรนะเป่าที่เป่าเขาเรียกว่าสังนะเป่าที่เป่าสองครั้งเป่าเนี่ยทุกสิ่งทุอย่างสองของที่มีชีวิตตายหมด แล้วก็ห่างกันสี่ไม่รู้ว่าสี่สวันสี่บชั่วโมงสี่ิบปีแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมเอา ล, ล้อให้มาเลาก็เปล่าอีกฟื้นหมดเลยนี่ค่อันอันนูชูตมาจากการฟื้นคืนชีพหลังจากนอนอยู่ในกุโบการฟื้นคืนชีพเนี่ยที่พวกกาเฟปฏิเสธกัน ท, ทั้งโลกเลยวันนี้นะบอกว่าโกหกตายแล้วไม่ฟื้นแต่นายกพาุณอ่านพูดสามาใช่ไหมเดี๋ยวก็พูดอีกเดี๋ยวเตือนอีก มีจริงนะรูกคนอีหมานของเรามีหกข้อใช่ไหมยาวมุลกิยามาสอนอยังไงนั่นแหละมีวันโลกไม่มีวันหมดอายุแต่ทุกคนที่ตายจะต้องฟื้นหมดอัลลอฮฺอักบารทีนี้ไอตอนฟื้นเนี่ยอัลลอฮฺฮะดีษนบีสอนอย่างนี้อัลลอฮฺนบีอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ฝนที่ตกลงมาจากใต้บันลังอลัลลอฮฺมันไม่ไม่ไม่ไม่ได้พูดว่าสหาหบเลยนะตใต้บันลังอัลลอฮฺนะให้ตกลงมา มาที่พื้นดินเมื่อน้ําน้าฝนอันนี้ลงไปถูกอะไรนะถูกร่างของมนุษย์ศพบ ท, ทุกคนนี่นะบางคนเน่าบางคนไม่เน่าบางคนกลายเป็นดินไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ท่านนบดสอนกุลสั่ก็คก้นกบอาาอาจาบุลนาดับก้นกบของมนุษย์เหลืออยู่นิดหนึ่งใครสังเกตมมั น, นกดอยู่ตรงไหน อ, อยู่ข้างหลังนี่แหละเหลืออยู่ ไม่เน่าไม่เสียพอ น, น้ําฝนที่ออกจากบอลลังอัลลอฮ์เนี่ยตกลงมาถึงพืีแล้วก็ลงไปถึงถูกก้นกบเมื่อไรนะมันจะกลายเป็นคนสภาพเดิมนี่ความสามารถของใครนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุภาโนด่าเล่าให้ลูกฟังเล่าให้นักเรียนฟังเล่าให้ลูกห ล, กลานฟังวันนี้ความสามารถของนะอัลลอฮ์นะอายานี oh ้น อ, อัลลอฮฺอัลเบดฮฺขดดิษฐ์นบีของอิหมานุคารีพูดอย่างนี้กุลุยซาดี อิบนุอาดัมยับลาร่างกายของลูกอาดัมทุกคนนี่นะเน่าเปื่อยหมดที่ยกเว้นมีไ้ยมีอย่างร่างกายของนบีเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่แล้วนะเพราะนาบีพูดสอนเองนะครับอัจฉิลาอัจบาดะนบียกเว้นก้นกบมินหูที่เหลืออยู่นะคุูนก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ประกอบตัว ตัวออมามาเกณฑการเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพราะคนกบที่เหลืออยู่จะลอยลลายรักษาอวัยวินเดี๋ยวนี้เล่าให้นบีฟังและนบีก็เอามาสอนพวกเราวันนี้อัลฮัมดุลิลละนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์แสดงว่าอายานนี้ต้องการจะเตือนว่าหนูชูนหมายถึงการฟื้นคืนชีพมีหรือไม่มีมีครับไม่ใช่ตายแล้วตายเลยฟื้นขึ้นมาทาอะไรอ่ะนี่ไงคือปัญหาแหละ ฟื้นขึ้นมามาราบรางวัลที่เราเน็ดเหนื่อกับการทํางานศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์แต่มีโรคระบาดแบบนี้ทำนึกถึงสุนนะนบีเราก็ไม่ออกไปไหนนะไอ้คนที่ออกไป Allah, อัลลอฮ์ก็ให้เห็นนะ่ะให้ป่วยป่วยให้ป่วยป่วยป่วยปวยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นน ะ, รระเราไปอยาบะตํามีใครนะขออุทิศต่ออัลลอฮ์นะครับตัวรองว่าตายแล้วฟื้นไหมฟื้นฟื้นนกนเรียกในภาษากุ๊อาว่าไงนะหนูชู กะซารีกา น, นูชูลอลออธิบายอย่างนี้เรื่องตายแล้วฟื้นนะพูดง่ายๆให้คนได้เข้าใจคนยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมไม่ใช่ยกเว้นคมกลุ่มเดียวที่มีอีมานต่ออลอทที่นมานห้าเลลวลาใชยตอนมันกลัวมันก็นึกอะไรนึ ก, น, กนึกถึงอลอทคาลาอย่างเดียวทำอยู่นี่แลละต่อมาครับอายาที่10บอายาที่10บนี้พูดเรื่องเกียรติยศ ตาแหน่งเกียรติยศดูคุณอ่านครับมังกายูรุลอาซซะฟัลิลลอฮิลอาซซะทุกแห่งเอลห์ยชัดุลคัลิมุล طيب แวลงามลุสซาลิฮฺยารฟ้าอ والذين يمكرون ا ل ص ي ا ت لهم عذاب شديد و م ك ر و ط لا إ ك و يبور الحمد لله من كان يريد ا ل ع ز ة فللله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يأمرون السيئات لهم عذاب شديد. ว马克 رو เอิกะฮั <ور> ا ยบَู์อัลฮัมดุลิ ا ل าห์อัลฮ ل มดุลิลดีมากครับอันนี้พูดถึงเรื่องอิซจะอิจจาเป็นต้องจำศัพท์อุปารบ้างนะอิซซาเนี่ยแปลว่าอะไรนะเกียรติยศตำแหน่งเกียรติยศตำแหน่งคนเอาวิ่งหาตำแหน่งกันนะใช่หรือไม่ใช่ พอมีเงินมีบ้านมีลูกโอ้โหวิ่งหาตําแหน่งกันแหละตําแหน่งสอจอสอสอสอวเห็นไหมก็ต้องอาศัยพรรคการเมืองกันละ ว, วิ่งกันนะไปนอนอันนี้อลัลลอฮฺเตียนนะเกียรติยศนะ อ, อยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของเกียรติยศในตัปซีผู้อ่านหลายๆเล่มนะ้นก็อธิบายอย่างนี้อัลอฮฺอิสรบิยดิลละเกียรติยศนั้นหรือชื่อเสียงนั้นน่ะอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ วาลาตานาหรอิลลาหรือออตีฮีถ้าเขาจะไม่ได้รับตำแหน่งฤิเกียรตินอกจากจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ Allah และปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีเท่านั้นในยุคนี้ทุกปัจจุบันนี้เห็นไหมอ่ามาดูดูุรอานครับมังกายูรีดูหลายซะมันดตว่าผู้ใดยูรีรูแปลว่าต้องการ ผู้ใดต้องการอำนาจผุดง่ายไหมง่ายใครต้องการอำนาจเชิญเราให้ฟังก่อนอำนาจอยู่ที่ไหนฟาลิลลาฮิไลซะตูเจมีอาอิซะ อ, อำนาจนั้นเป็นของใครลิลลาฮิเป็นของอัลลอ์ก่อนหน้านี้เราก็เรียนมาใช่ไหมเงิน เงินเป็นของใครเป็นของอัลลอแผ่นดินเป็นของอัลลอชานฟ้าเป็นของอัลลอแล้วก็อะไรนะฟิตราะกฎธรรมชาติเป็นขายเป็นของอัลลอใช่ไหมไม่มีของคุณอือนเลยในโลกใบนี้อัลลอเป็นเจ้าของแต่เพียงพูดเดียวจะนั้นขารตองการเกียรติยศต้องวิ่งหาใครว <laughs> ิ่งหาซะ ต้องการเกียรติยศวิ่งหาอัลลอฮ์คือต้อ ง, อ ง, อ ง, องคือเป็นอย่างนี้อายานี้นี่นะก็จะอธิบายอย่างนี้เพราะนบีมุฮัมมัดสุลลามมุสลัมนี่ถูกเล่นงานตลอดขนาดเสียชีวิตไปแล้ววันนี้ยังถูกด่าถูกเล่นงานแต่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยให้คนอาหรับมุชริกในนครมักกะที่อขอยกตัวอย่างง่ายๆวันที่นบีไปเผยแผ่ อ, อิสลามที่เมืองตออะไรตออฟวันนั้นถู ก, กี่เรื่อง สามเรื่องถูกอะไรบ้างถูกไล่ถูกดา่าถูกขว้างด้วยคอนหินในสายตาของคนกาเฟนานมะูมัดหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเห็นไหมในสายตาของคนกาเฟนนัะ่ถูกขนาดนี้มันจะเหลือเหรอแล้วก็พอือเป็นยี่ดารุนนัดวา มันเป็นสถานที่ประชุมของคนกาเฟตในสมัยนู้นนะดารุนนัดวาเหมือนกับรัฐรัสสภาสมัยนี้แหละเขาเรียกว่าดารุนนัดวะเป็นห้องเป็นที่ประชุมเป็นสภาของพวกอาหรับมุสริกที่แอนตี้มุฮัมมัดและแอนตี aw, ้อ an, ัลลอฮ์แอนตีุ้รานแอนตี้สุนนะนบเนี่ยเขาประชุมกันหนึ่งทำไงมุฮัมมัดเนี่ยเอาอิสลามมาเผยแพร่เนี่ยเราไม่พอใจนะประชุมกันสามเรื่องหนึ่ง จับเป็นสองจับตายถ้าสองอย่างนี้ไม่ได้ไล่หนักไหมหนักมากนะท่า น, นประชุมระดับหัวหน้าหัวหน้านะลุงมีด้วยนะอบูจะฮันนะบูละฮับนั่งด้วยลุงนบีนะอัลลอฮ์วางแผนหนึ่จับเป็นสองรืองมากกว่าจับตายถ้าจับจับเป็นไม่ได้จับตาย ไ, ได้ไล่ไล่ออกจากมาดีนะไล่าจากมะกาฟอยู่ที่นคร น, นะ สามอย่างนี้พุคธกาเฟตว่าถ้าทำสำเร็จนะมุสลิ ม, มจบแล้วอิสลามจบแล้วสุนทรนาบีจบแล้วมันมีม ม, มีชีวิตชีวาอีกต่อไปน่ะแบบบรรดุลไมยิดแบบแผ่นดินที่แห้งแล้งอ่ะเหมือนกันนั่นแหละจาก้ใตายให้หมดแล้วนาบีต้องอพยพอ่ะพอนาบีอบพยพไปเนี่ย เงบเขาทําสําเร็จใช่ไหมไล่นบีออกจากมักกะสาเร็จพวกนี้ก็ดีใจยิย้มแฉ่งเลยนั่นฉันทําสําเร็จแล้วไล่มุฮัมมัดออกจากมักกะแล้วเอาอิสลามไม่มีแล้วในนครมักกะนบีไปถึงที่ น, นครมาดีนะต่อมาพวกมักกะเนี่อยากรวมตัวกรนมาสามพันคนใช่หรือไม่ใช่สงครามอะไรสงครามประชาร์ไปเล่นงานนาบีอีกกา จ, จะไปล้างอนะันนั้นจบที่มักกะที่มาดีน่าอีก นบีมีซอบ้าซอไรสามร้อยคนมองตัวเลขเลยใครแพร้ชนะจากปัญญาของเราแพ้อยู่แล้วซอบ้านนบีกับนบีแพ้อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ให้แพ้ด้วยชนะให้ชนะเอาเล่าเล่าแค่นี้ก่อนฉะนั้นพวกอาหรับมุสลิกีนต้องการที่จะไม่ให้นบีมุฮัมมัดมีเกียรติ ไม่ต้องการจะให้นาบียมะหมัดมีชื่อเสียงในโลกดุนยาไปนี้ฉันก็อต้องไล่ออกจากนาครมากะไปอยู่ที่นครนีนะถามว่ายิ่งไล่ยิ่งอะไรยิ่งดังยิ่งไล่ยิ่งดังยิ่งไล่ยิ่งดังยิ่งดายิ่งดังเห็นไหมเช้พาพระว่าฟา ล, ลินดาฮิลอิสตาตูจามีอาพราะว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลอลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของวันนี้ก็เหมือนการใครต้องการจะทาลายอิสลามเชิญ ยิ่งทำลายยิ่งอะไรยิ่งทันคนยิ่รับอิสลามเพิ่มขึ้นแต่ผมได้ยินหลายคนมีอัลามาที่มาจากอเมริกามนานั่งคุยกับผมที่นี่เขาบอกว่าหลังจากเวิร์นอะเวรอะได้นะที่ตึกระเบิดกันนะ่ะสิอ็ดใช่ไหมกันญาเมื่อ1 1บ2ปีที่แล้วนะ่ะคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นนี่โรคระบาดนี่ก็เหมือนกันผมนั่งนึกอยู่นะ ยิ่งระบาดเท่าไรระบาดเท่าไรยิ่งอยู่นานเท่าไหร่นคนยิ่งเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นก็จะหันมาสนใจอิสลามมาเรียนอิสลามค่อยๆดูกันต่อไปกนแล้วกันมังก้า น, นายูริดูหลายผู้ใดต้องการอำนาจวันนี้เาลดอำนาจหลายคนแล้วใช่ไหให้คนที่มีอำนาจถูกก็ได้เป็นโควิดโควิดโควิดโควิดโควิดตั้งแต่ใครแต่ใครอยู่ในอเมริกา ในอิตาลีในโอ๋หลายประเทศในยุโรปเจอหมดพี่น้องมังกายูรีดูไลซาผู้ใดต้องการอำนาจฟาลิลลาฮิดังนั้นอำนาจนั้นเป็นของอ Allah. ัลลอฮอัลลอฮอวักวบสใ์ไนาอุมัตวะไงถูกไหมฉั้นนี่อัลลอฮยกฉันเพราะอิสลาม <laughs> มาก่อนฉันบูชาจเวต ไรเกียรติหน้าดูเลยจากนั้นใครต้องการอำนาจอะ่ะแ ล, ะล้วก็ไปขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลมาเก็บไว้ในบ้านของคุณในตัวคุณคุณไม่มีเกียรติคุณจะสลื่นตกต่ำตลอดนี่เป็นข้อคิดนะไซนอมาพูดนะไม่ใช่นบีนพูดนะเอาข้อคิดและเอาภาษาพูดนี่มาจากไหนฟังจากนบีอ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงสว่าใครต้องการเกียรติยศปฏิบัติตาม อ, าอัลลอฮ์เชื่อฟัง อ, อัลลอฮฺซะ เอาล็อกค่ไม่นามาติกีทินบีพูดยังไงนะคนที่ไม่นามาทาเวลาใครชอบชตอนชอบไปรอดอ่ะไปไม่รอดอยู่แล้วจานั้นต้องหันมาเข้าหาอัลลอ์อิสลามเถอะนะเพี่นองเอาต่อมาครับเรื่องที่สองอลยฮิยสรดุลกาลิมุตตอยบกาลิมุตตอยบ์กาลิมาเนี่ยเป็นพระูพจ์ของเขาว่ากาลมาตุนกาลิมา กาลิมเป็นาพาหุพุทธแปลว่าถ้อยคําทั้งหลายอตัยฟแปลว่าดีถ้อยคําทั้งหลายที่ดีอธิบายยังไงหมายถึงใครที่กล่าวว่าอย่างนี้คนที่มีเลอีลาฮีลอลอหมายถึงตาเฮตใช่ไหมใครที่กล่าวนี่ละอัลกาลิมุตอตัยฟหมายถึงถ้อยคําที่ดีหมายถึงใครที่กล่าวว่าเลอีลาฮีลอลอ ذكر ุลอัลลอฮ์ سبحانه อัลลอฮ์อัลดุ illah อัลลอฮฺอัลกบร์ลาอิลลาห์อิลนี่เป็นกลิมุตตัยบแต่อีกวลมาอีกท่านมันอธิบายยังไงรู้ไหมติรออตุลคุรานนั่งอ่านกูอ่านเสรอ่านกันอยู่เนี่ยนี่เป็นกลิมุตตัยบทถ้อยคำที่ดีที่สุดแต่ต่อไปครับห้ามบามกันไม่ให้ทาความชั่วเอาเอาพี่น้องอยู่บ้านนะ นะครับเพราะการอยู่บ้านนั้นในช่วงโรคมาเนี่ยเป็นตามสุนนะนบีเพราะนาบีสั่งว่าย้ำกูซูฟีบายตีฮีให้กักตัวเองอยู่ในบ้านถ้าจะออกก็ไรนะให้ปิดโน่นปิดนี้ระวังตัวเองให้ดีการอยู่บ้านนั้นเป็นสุนนะนบีนี่แหละเป็นแล้วก็คำพูดของเราที่สอนคนนี่นะนี่เป็นการอัลกาลิมุตตอยิเป็นถ้อยคําที่ดีพูดจากับลูกดีๆเป็นเป็นถ้อยคําที่ดี พูดกับภรรยาดีๆเป็นถ้อยคาที่ดีการอ่านอัลกุรอานเป็นถ้อยคาที่ประเสริฐการกล่าวซิกุรุลลอการกล่าวละอัลกัลมุตตัยใครที่ปฏิบัติอัลกัลมุตตัยแล้วนะ่ยยัสอาดูอ่ายัสอดูไปได้รับอภินางแต่ว่าไรนะขึ้นข้างบน <laughs> ยัสอาตอัลลอฮฺอักบัด แต่ว่าขึ้นสู่อัลลอฮ์ข้างบนหมดเลยเห็นยังขึ้นข้างบนหมดนั้นที่เรากล่าวอะไรพี่น้องทําเรื่องดีๆเนี่ยไปไหนขึ้นข้างบนหมดอะไรบ้างที่ขึ้นขึ้นข้างบนเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วเี่ยเราอ่านตับซีสุรอสซาบะใช่ไหมาอายุที่สองนะ่ยที่ขึ้นข้างบนนะ่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งอัลมัลสอเลของมุสลิมที่ทําอยู่เนี่ยขึ้นข้างบนหมดเลยแล้วก็น้าทะเลขึ้นข้างบนหมดเลยอันละออมมั้ยมะอ่ะละออกของดีๆขึ้นข้างบนหมดอ่ะแล้วขึ้นไปทําอะไรอ่ะอ้าวอย่างอน้ําทะเลไปมั้ยระเหยขึ้นไปกลายเป็นก้อนเม็ดจากมาเป็นฝนตกมาให้อลลอฮฺอัลมัระเรียบวิทยาศาสตร์เต็เราเรียนมาผ่านข้างบนแล้วเรื่องแล่านี้ตัวรู้ว่า อิละฮิยาสซัดุลกาลิมุตตัยแบบถ้อยคำที่ดีมีอะไรบ้างนะถ้อยคำที่ดีเนี่ยขึ้นสู่อัลลอฮ์หมดเลยไปน้องใครพาไปขึ้นเองหรอไม่ใช่ใครพามาื่อไหร่กัถ้อยคำที่ดีมีอะไรบ้างพูดใหม่เดี๋ยวลืมหนึ่งอัจวิสรุลลลอฮฺสุบฮฺฮนัลลอฮฺลั่ฮัมดุ ล, ล, ลิลาลาห์ลาอิ ล, ล, อ ล, ล, อ ล, ละอิลลัลลอฮฺอัลลอฮอักบะ ละฮาวิลาวลาคูอัตอิลลาบิลลอ่านอัลกุรอานอัลลอฮเชิญชวนกันให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปามกันอย่าให้ทำความชั่วและพูดจาดีๆกับภรรยากับลูกๆอย่าตวาดอย่าตะคอกทั้งหมดขึ้นข้างบนหมดเลยเพราะขึ้นไปมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภาอูบัต่าล้เรื่องที่สองวะลามะลุสลิฮะซอลิฮะและการงานที่ดีเห็นไหมมีสองเรื่องนะ พูดจาดีถ้อยคำที่ดีกับอามันฑิตโซแล้วอามันฑิตโซแล้วนี่อัลลอฮอธิบายอย่างนี้หนึ่งนามาฎอ๋อสำคัญมากนะนามาฎอัลลอหฺอักบาร์สองจยจสากาดสามนี่ระมัดกำลังจะมาแล้วถือสินอดทำอมราทำฮะยีแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต้องต้องเหนื่อยหมดเลยอะ ต้องนั่งรถไปไปเยี่ยมขามามัสยิดทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นอามันทีสอนแล้วตนลองว่าถ้อยคําที่ดีกับอามันสอนและสองอย่างนี้อะไรนะยัสฟาหูขึ้นข้างบนนี่พูดสองข้างนะยัสอาดูอิไลกับยัสฟาหูสูขึ้นข้างบนหมดเลยอ่ะขึ้นข้างบนหมดเห็นยังครับนี่ความเมตตาล่ำเล่าให้มุฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้จากนั้น ความดีทําอะไรบ้างหนึ่งอ่ะอัลกาลิมุตตอยิบชายวาจาทีด่ดีพูดชมอัลลอฮ์สมาเสมออ่านกูนอ่านสม่ําเสมอซิครุนลอสม่ําเสมอพูดจาดีๆกับสามีด้วยภรรยายก็อย่าด่าสามีทําเป็นราวลูกจ้างไปได้ อ, อัลลอฮ์บอกว่าพูดจาดีพูดจาไม่ดีระวังนะอัลลอฮ์ตกปากวันนึงนะจะตบแบาปนาก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้น กาลิมาตอ ย, ยิบถ้อยคําที่ดีกับอามันที่ซอนแล้วนะสองอย่างนี้ถ้ามีอย่างเดียวไม่ได้นะมีสุภาชมละลายอย่างเดียวแต่ไม่ได้นามาได้ไหมอันนี้พี่น้องสังเกตนะอัลกาลิมุตอ ย, ยิบอย่างเดียวไม่พอต้องมีอามันที่ซอนแล้วอุลมะอธิบายเรื่องนี้นเยอะมากแต่นั้นสองอย่าง มีอามันฑซอแร้อย่างเดียวก็ไม่ได้ตรงนี้ซิกรุลลอห์ด้วยฉะนั้นมุมินจะอยู่ตรงไหนก็ตามพระอาญาณ น, นี้ติดตัวเลยมีซิกรุลลอห์ชมอัลลอฮ์สุบฮนานัลลอฮ์อัลลฮามดิลลิลาจะขึ้นรดขึ้นรายใช่ไหมจะออกจากบ้านอ่านดวงนี่ไงอัลกัลิมุตตัยบหมดเลยแล้วก็อามัณที่ซอและภาดปฏิบัติหมายถึงลุควะสุญูดจิฮาดฟีสเบลลิลาศึกษาหาความรู้ อีมานำยี่ตั้งเจสบสาขาทนะ่านเห็นเหรบอก บ, บ, บ้ฉะนั้นอามันซอและกับกาลรมุตต่อ ย, ยิบสองอย่างนี้ไปไหนครับขึ้นข้างบนมันจะไปอเมริกานะ่ขึ้นข้างบนหมดเลยมันจะไปหาไอ้ทรัมข์างบนนู่นก็หาอัลลอฮ์ก็ห า, AH, ห า, AH, หา AH. อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอิซซานี่เล่าให้เราฟังผ่านคูรอ่านเขา้าใจใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลอต่อมาครับเรื่องที่สาม วัลลนละวนยัมกุรุนสัสยอัดยมกุรุนแปลว่าวางแผนและผูดด้ใดที่วางแผนจะกินเล่าให้ฟังใช่ไหมพวกอาบมุชริกเมื่อโอพยพไปอยู่ที่ไหนก็ยไปใช่มนั่นเรวก็ราวางแผนแผนดีหรือแผนชั่ว แ, แผนชั่วแผนชั่วครับเนี่ยครอานว่าไงได้ไหมยามกุรุนไซอัลลอฮฺอัลลอฮฺส่วนบรรดาผู้ที่วางแผนชั่วทั้งหลายเอาวันนี้คนที่วางแผนชั่วทําลายเนี่ยสมัยอาหรับมุสริกทําลายนบีทํำลายนาบูนมุฮัมมัดเอ๋ยทำลายสุนน่านาบีไม่ให้เกิดในนครมักกาทําลายสําเร็จไหม ไม่สําเร็จเห็นไหมนบีกลับมา ย, ยึดนครมากาได้อีกและสิ่งแรกที่นบีเอาออกอะไรรู้ไหมเอารูปเอาจเวบในกาบาเอาออกบอกกับท่านอบดุลบาบอบดุลบาเคลียเคลียกาบาหน่อยอย่าให้รูปจเวบอยู่ในกาบาห็นไหมนั่นนะ้าเป้ามาของนบีนะสิบสาปีเคลียต้องเกิดจะให้เคลียจเวบเองจะทําไม่สําเร็จไปเนองไปอพยพ อาลาวันนี้ว่ากูชนะแล้วงานนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะวันลดนยามกุรูนไซอาดใครที่วางแผนชั่วชั่วชั่วชั่วเอาไว้ทําลายอะไรทำลายอัลลอฮ์ทำลา ย, oh, ลายรอซูลทําลายอิสลามทําลายคุรอานทําลายโุนานหน บ, บีคงก็มองกันนะไอโควิดเนี่ยมาเล่นงานคนที่คิดสกกับกต่ออัลลอฮ์รอซูลหรือเปล่า ฝากแค่นี้พอนะอย่าพูดยาจะมีปัญหา <laughs> วันลดาลนายม์กูรุนสัสไสอันนี่เตือนนะใครที่ขวางอิสลามระวังใครที่ขวางสุนนัขนบีไม่ให้นบีไม่ให้สุนัขนบีเข้าบ้านระวังให้ดีให้สุนนัขนบีเข้าคลองเข้าถนนเข้าซอยระวังให้ดีนี่ฟังขยานี่ให้ดี วัน ล, ละทีนายม์กูรูนัสัยอเออเอ้าแค่โรคระบาดนี่นะถ้าไม่กักตัวนะ่ะเจอไหมละ่ะข้าเอาทิ้งสุนนันนบีข้อเดียวนะฉันไม่กักตัวอยู่บ้านฉันไม่เอาฉันเกลียสุนันนาบีจังเลยมุมมัดนี่พวกกูฮาบีพวกคณะมายฉันไม่เอาฉันจะอยู่ข้างนอกจะเจออะไร <laughs> เจอโควิดนะ แต่เป็นไงวันนี้เข้าบ้านกันหมดล่ะอย่าเข้าสิถ้าปฏิเสธจริงๆอาจจะนั้นสุนนะ บ, บหันมาเถอะพี่อน้องยามกุโรนัสัยอัลลเนี่ยต้องการให้ตรงกับปัญหาเลยนะตรงกับปัญหาเลยนะแต่นั้นใครที่วางแผนชั่วชั่วชั่วชั่วชั่ ว, ว, วไว้พี่น้องครับล่าหุม ด, ด, ดูดูดูดูรางวัลคือดูโทษลาหุมอาเจบุญเสดีคือการลงโทษอันสาหัสห นี่เจอบนโดญญนยาในยังไม่หนักเท่าไหรแต่ไปเจออีกเพื่ไหนล่ะในกูโบเจออีกฟื้นขึ้นมาเจออีกที่ไหนที่ทุ่งมาชาตอีกกี่ดานอ่ะมีสองสาดานนะสนุกค่ะจะนัดยาขวาง Allah, อัลลอฮฺยาขวาง Quran, อุลามะฮ์ยาขวางนาบียาขวางสุนนะนบียาขวางไปน้องเรียนเธอหันมาใช้สุนานะนบีละหุมอาซาบุญชะดีสําหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันสาหัสเอาต่อมาครับ วม่มักรูอุระอีกครับว่ยาบูธมักรูแปลว่าแผนการอุละอีกะของพวกเขาเหล่านั้นเป็นยังไงครับยาบูธแปล ว, ว่าย่อยยับยาบูธแปล ว, ว่าย่อยยับพังพินาศยาบูธแปล ว, ว่าย่อยยับพังพินาศไม่สําเร็จไม่มีอย่างอื่นครับ วันนี้ต้องเดินเข้าหาอลัลลอ์แล้วต้องเดินเข้าหาซุนนะนบีแล้วจะต้องหาอ่านคุรานมาศึกษาอิสลามเธอไปน้องทางกันไปไม่รอดครับแล้วก็อัลลอฮ์เล่าไงนะว่ามักครูแผนการของเขาเหล่านั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จมิจะพังกับพังพังพังพังพั ง, พ ง, พ ง, พงหมดเลยไปน้องเรบ n a w a z i b i ล l a h ฉันกลัวอลัลลอฮ์ไปน้องกับ นี่อรทดสอบนะให้เห็นนะเองไม่เอาก็ได้แต่เองเจออะไรอย่าบูดความไม่รความย่อยยับความพินาศความหายน่าจะเกิดขึ้นพี่ักษ์การมาได้แล้วนะอรรถสั่งนันกพิธีกุลอ่านนะครับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายนี่นะหลังจากที่ท่านนาบีถูกด่าเนี่ยถูกถูกตําห น, นิถูกนู่นถูกนี้นบีก็เสียใจนะอรรถประทานกุลอ่านลงมาบอกว่าเวลาย่ารุน ก, ก, กัมมเกาลือหุ่มมามาเด้อ ที่เขาด่าท่านใส่ร้ายท่านว่าเป็นวาฮบีบ้างอสมัยนี้แหลกับ ว, วาฮบีแนววาฮบีโกมูโดแล้วก็ตามแต่ถูกด่าคตรเป็นน่องตั้งคนไม่กล้าเรียนสุนัขอ่ะเป็นน่องฉะนั้นนบีก็มีการก่อ น, อนหน้านี่ถูกตําหนิเยอะมากครับฉะนั้นมุฮัมมัดอยากกลัวคามตําหนิด่าว่าต่อท่านนบีเพราะอะไรนะเพราะพวกนี้ต้องการว่ามุฮัมมัดอ่ะถ้าถูกด่าขนาด น, นี้แล้วมันจะไปรอดหรือ อินไลซ์ดาลิลลาฮิจามิอัลแทจริงเกียรติยศและตาแหน่งอันสูงสวนนั้นอยู่ที่อัลลอ์ทั้งหมดก็ได้นะอัลฮัมดุลิลลาอาอะลที่ที่สามนะครับพี่น้องหมดหมดเวลาพอดีวะลลัฮุคาร์กาคุมินทุราบะซุมมินุตฟะ ثم جعل لكم أزواج وما تحمل من أنثى وما تحمل من أ ن س ى ولا قدع إلا بعلمه وما ي ع م ر ُ من معمر ولا يقص من عمره إلا في كتاب. إ ินน่ ذلك على الله يسير الله أكبر الحمد لله طعن มนุษย์ <ير> والله خلقكم من ُ ر اب, من ة, ا ب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أ ن س َ ء ولا تضع إلا بعلمه و َ م, م َม ي ย ع มมาّ ر ُมิมُْ่มั่นมิรัเวลาอย่างกุศุมิหน่อมริห์อิลล้าฟِคิทาบอินนัَ้นั่นคืออัลล ل ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺอลลอฮฺอััลัล คนมนุษย์บางคนเนียกว่าตัวเองเนะเด่นแล้วถูกสร้างมาจากจากจา ก, จา ก, จากเงินจากทองอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์ขอล่กว่ากุมและอัลลอฮ์ได้ทรงบังเกิดสู่เจ้าขอเล่าก็เป็นบังเกิดสู่เจ้ามินตัรับจากอะไรดินแอันยังยิงทำไมอ่ะปฏิเสธอลัลลอฮ์ทำไม อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอลัลลอฮ์สร้างมาจากดินสร้างสูเจ้ามาจากดินคืออาดัมเนี่ยสร้างมาจากไหนจากดินอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสี่แบบหนึ่งสร้างจากดินสองสร้างจากผู้ชายโตคาวอใช่ไหมคาวาเนี่ยมาจากสิโคมอาดัมผ่านพ่อนบีอีสาผ่านใครผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อทันม ก, การนาบีอีสาก็อีกแล้วก็พวกเราวันนี้จากน้ําอสุจินี่เป็นความสามารถของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะยันงอย่าลืมตัวเองต้องนึก อเรามาจากดินอใช่สิเพราะบางคนนึกมาจากเพชรจากพลอยยังไต่อมาครับเรื่องที่สองสมมานุตฟาแล้วก็พิวัฒนาการเป็นละคันละคันละขั น, ข น, ขนมาเจอน้ำอาซูจิอ่าจานั้นน้ำอาซูจิเนี่ยต้องขอบคุณลอลลอห์นะคนที่ไปตัดไปไปอะไรนะ่ไปตัดตอมลุกห ม, มากแล้วหมดสิทธิ์ไม่มีลูกอ่ะพระเั้าสุจิหมดแล้ว ตัดท่ออะไรนะท่อต่ำลงมากเห็นไหมเอาเรื่องที่สามสุ ม, มาจ า, าะกุมอสวาจานี่เป็นขั้นตอนเลยนะข้อที่สามเรื่องที่สามอัลลอ์จับเป็นคู่หมดเลยมีตัวผู้ตัวเมียเอาสัตว์ก่อนถ้าเป็นคนก็มีผู้หญิงผู้ชายทุกชนิดบนโลกใบนี้มีคู่หมดเลยที่ไม่มีคู่มีอันเดียวอะไร อัลลอฮฺวาหิดนอกนั้นมีคู่หมดปิดหูยังโอ้เปิดสมองเลยอัลลอฮฺมูรริลละทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่หมดเลยใบไม้ก็มีตัวผู้ตัวเมียนะ่ะผมก็นั่งคุยกับหมอเนี่ยหมออะไรหมอที่ให้ยาสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยใบบางใบไม้พวกเนี้ยต้องกินเป็นด้วยนะดูใบไม้ดูตัวผู้กับตัวเมียอย่าไปกินตัวผู้กินตัวเมียก็มีสนนะไว้อมาจจะไปกินมั่ว เห็นยังครับฉันต้องเรียนหมดเลยน่ะเรียนหมดเลยเข้าสูซเราไม่เรียนก็เข้าไม่ถูกอะ่ะเรเอาเท้าไหนเข้าอะ่ะเข้าซ่วมก็เข้าไม่ถูกถ้าไม่เรียนอ่ะเพราะนั้นยารีต้องเรียนซุน น, นะนบีถึงจะเข้าบ้านถูกเข้าสู่เราถูกเข้าส่วมถูก <c oughs> เอาต่อมาครับเรื่องที่ใดเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่หนึ่งมนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน <c oughs> เรื่องที่สองมาจากน้ําอสูจิ <c oughs> เรื่องที่สามจัดเป็นคู่ ถ้าจะแต่งงานกันนะไม่ใช่อยู่แบบสัตว์นะอยู่แบบแพะแพะแกะวัวควายได้ไหมท่านแพะแกะวัวควายแมวเนี่ยมันทับกันหน้าบ้านนะ ม, นมันไม่มีอะไรเลยมองดูสวยเลอีกนะแต่คนเราไปทำแบบนั้นดูสินั้นอย่าเรียนแบบสัตว์อให้เรียนแบบใครสุนนะน บ, บีผมเคยเล่าเรื่องแมงมุมใช่ไหมชีวิตแมงมุมเนี่ยแย่มากนะตัวเมียสร้างรังตัวผู้มันจะสร้างเลย พอทับกันมีลูกแล้วพอท้องดีนําตัวเมียฆ่าตัวผู้ตายพอมันออกลูกแล้วลูกมันเยื่อนออมาไปร้อดเป็นพันเลยนะออกมาแล้วลูกมันพอลูกมันโตดีรวมตัวกันฆ่าแม่เอาอย่างนั้นในชีวิตน่ะนี่แมน ม, มูมา อ, อังกบูตนะท่านอย่าเอาเรียนแบบอังกบูตมาใช้ในชีวิตของคนเอาซุนานะนบีแบบที่อลัลลอฮ์ให้มาเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวก็คือเราก็จะเรีย กุมฟีรรซูลินและอิอุสวาตุนฮะซานะเอานาบีเป็นแบบให้หมดในทุกๆเรื่องยิ่งโควิดมาเนี่ยตัดตัวไม่มีพ่อไข่หน้าปวดทองมาไม่มีพ่ออลัลลอฮ์รู้หมด น, ะะน่ะท่านทำอะไรมันถูกต้อง